พวกที่มาเข้าคอสยกมือสีธรรมะนะจริงๆเป็นของง่ายมากเลยเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาแต่ใจเรามันไม่คุ้นเคยกับธรรมะอย่างความรู้สึกตัวจิตผู้รู้อะไรพวกนี้ฟังแล้วเป็นเรื่องแปลกไปหมดเลยทั้งที่เป็นเรื่องปกติเลย จริงๆแล้วจิตก็เป็นธรรมชาติที่ทำหน้าที่รู้อยู่แล้วนี่เราหลงลืมมันไปหลงไปอยู่ในโลกของความคิดความฝันตลอดเวลาไม่สามารถตื่นขึ้นมาเห็นความจริงของกายของใจได้การจะตื่นขึ้นมาก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเหมือนนอนหลับก็ตื่นขึ้นมาการนอนหลับ เป็การหลับทางร่างกายเมืถึงเวลาเราก็ตื่นขึ้นมาจิตมันก็หลับอยู่มันฝันอยู่ทั้งวันทั้งคืนมันหลงอยู่ในความคิดทำยังไงมันจะตื่นขึ้นมาได้ไม่ใช่เรื่องยากเลยอย่างเวลาเรานอนหลับเราฝันอยู่นะเราเกิดรู้ตัวว่ากำลังฝันอยู่นะเราจะตื่นทันทีเลยเราจะรลุดออกจากโลกของความฝัน ใครเคยฝันเรารู้ว่าฝันบ้างมีไหมยกมือสิรู้สึกไหมถ้าเราฝันอยู่แล้วเรานึกได้ว่านี่ฝันอยู่นะจิตมันจะตื่นขึ้นมาเวลาที่ใจมันหลงไปอยู่ในโลกของความคิดความฝันนะอย่างเราอยู่ในโลกธรรมดาอย่างเงี้ยร่างกายเราตื่นแล้วแต่ใจเราฝันอยู่ถ้าเรารู้ทันว่านี่ใจมันฝันอยู่นี่ใจมันคิดอยู่นี่ใจเราจะตื่นขึ้นมาทันที มันแบบเดียวกับที่ร่างกายเราตื่นคือรู้ทันว่าฝันก็ตื่นแล้วรู้ทันไว้คิดจิตก็ตื่นรู้ทันว่าฝั น, ร, น, นร่างกายก็ตื่นนมเรื่องธรรมดาธรรมดาที่สุดเรื่องธรรมะนี่เราไปวาดภาพอะไรเอาไว้วุ่นวายยุ่งเหยิงอย่างเราไปวาดภาพว่าการปฏิบัติธรรมต้องนั่งสมาธิมากๆต้องเดินจงกรมนานๆอย่างนี้ นั่นเป็นแค่เปลือกของการปฏิบัติจุดสําคัญก็คือจิตเราตื่นขึ้นมาไหมถ้าจิตเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราทําอะไรอยู่มันก็เป็นการปฏิบัติไปหมดะจะเอือจะชีอยู่นะมีสติอยู่เห็นร่างกายมันอือมันชีนนก็คือการเจริญปัญญาแล้วก็มีสมาธิรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ไม่ว่ามันทําได้ในทุกๆ ท, ที่เนะี่ย ขอให้มีสติให้ตื่นขึ้นมาหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันนี้ทำไมคนทั่วไปมันหลุดออกมาไม่ได้สักทีเพราะว่ามันเคยชินนะเคยชินที่จะหลงอยู่ในโลกของความคิดความฝันตั้งแต่เด็กๆ ก, ก็ถูกสอนมานะให้หลงไปไม่มีใครสอนลูกสอนหลานให้รู้สึกตัวหรอกตั้งแต่เด็กๆลองคิดดูนะยัง ตอนเราเกิดใหม่ๆบางคนอาจจะจไม่ได้ดูเด็กอื่นก็ไดนะ้มีนักคนหนึ่งมันจำได้ตั้งแต่อยู่ในท้องนะมันจาได้ตั้งแต่อยู่ในท้องบอกตอนอยู่ในท้องนะั้นมันมืดมันแคบมันอึดอัดมันก็กลัวนะพอมันหลุดออกมาเห็นแสงสว่างทีแรกตกใจคนะลอดออกมาเห็นแสงสว่างตกใจแต่ตกใจแล้วมันเคลื่อนไหวได้ ก็บอกว่าความรู้สึกว่ากูเก่งเนะี่ค่อยๆเกิดขึ้นมาดูเด็กยังพูดไม่เป็นนะเขาเห็นเลยความรู้สึกว่ากูเก่งนี่พุดขึ้นมาในพวกเรามันหลงถูกฝึกให้หลงมาแต่ไหนแต่ไรอย่างเวลาไปเยี่ยมคนออกลูกใหม่ๆเราไปดูเด็กด้วยจะชอบไปลองใจเหศ์อนเหให้เด็กมันดูเด็กจะได้ฝึกส่งจีร อ, อกนอก นดูตัวอะไรนะมีไหมไปเจอเด็กเกิดใหม่แล้วบอกรู้สึกตัวไว้ไม่มีเราไม่เคยถูกสอนอย่างนั้นเลยเราถูกสอนให้ออกข้างนอกนี่แม่นะนี่พ่อนะปู่ย่าตายายก็นี่ปู่นี่ย่านะอนะรอแข่งกันว่าเด็กจะพูดเรียกใครก่อน สมากเด็มจะเรียกพ่อกับแม่ก่อนเพราะตัวมอตัวพอเนี่ยใช้ริมฟิปปากเป็นอักษรที่ใช้ริมฟิปปากนั่นจะเรียกง่ายมัมมัอย่างเงี้ยนะออกเสียงเพรนั้นเด็กก็ถูกสอนนี่นี่พ่อเรานี่แม่เราเนี่ยให้สนใจสิ่งอยู่ภายนอกเนี่ยตั้งแต่เกิดมานะก็ถูกสอนให้สนใจของข้างนอกเพราะนเราไม่เคยถูกสอนให้ย้อนมารู้ตัวเอง ก็มาฝึกกรรมฐานเนี่ยมันถึงจะถูกสอนให้ย้อนมารู้ตัวเองมันมันไม่เคยชินก็แค่ไม่เคยชินเท่านั้นแนะความรู้สึกตัวเองมันจะยากอะไรขนาดนี้นั่งอยู่รู้ไหมรู้ไหมว่านั่งอยู่ตอนนี้ต้องวางฟอร์มไหมเอาละหลวงพ่อบอกให้รู้ว่านั่งอยู่บังคับกายเรียบร้อยก็บังคับใจ นั่งแล้วงิ่งเงายิ่งเงาที่สุดอย่างตอนนี้เมื่อคี้หัวรอรู้สึกไหมร่างกายัวเราะยากไหมมันไม่ยากหรอกมันละเลยที่จะรู้ไม่ใช่รู้ไม่ได้นะมันรู้ได้ทุกคนอนะรูปธรรมนามธรรมารู้ได้ทั้งนั้นแหละอย่างขณะนี้หายใจอยู่รู้ไหมถ้าเราจะรู้ว่าร่างกายหายใจอยู่ยากไหม ตอนนี้หายใจเข้าหรือหายใจออกรู้ไหมไม่ใช่เรื่องยากเลยนะตอนนี้ยืนหรือเดินหรือนั่งหรือนอนตอนนี้เคลื่อนไหวหรือตอนนี้หยุดนิ่งตอนนี้ก้าวไปข้างหน้าหรือตอนนี้เดินถอยหลังย้อนหลังมาตอนนี้เหลียวซ้ายหรือหันแล ก, กว่ายากไหมรู้สึกตัวอย่างเงี้ยน่นที่นั่งแถวที่สองนะที่ห้อยสมเด็จนะ่ะภาวนาผิดแล้วนะ นี่จะไปรู้สึกตัวได้ยังไงกำลังสะกดจิตตัวเองให้ลืมตัวเองนะงั้นตื่นขึ้นมาห้ามไปทำสะกดจิตตัวเองนะเออไม่เอานะตื่นขึ้นมาให้ได้นะเมื่อเกีย้หัวละรู้ไหมพนะยักหน้าซิอยักหน้ารู้สึกไหมยากไหมที่จะรู้ว่าร่างกายมันเคลื่อนไหวไม่เห็นยากเลย ท้องก็พองท้องก็ยุบใช่ไหมหายใจเข้าหายใจออกยืนเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวหยุดนิ่งมีตรงไหนที่ยากยงั้นการรู้ร่างกายนะ่ไม่ใช่เรื่องยากเลยเราสามารถรู้ได้ด้วยจิตใจของมนุษย์ปกตินี่แหละมนุษย์ปกตินะรู้สึกได้กำลังนั่งอยู่เนะี่ยกำลังขยับเนะี่ยรู้สึกได้นี่พวกเรามันเพอ้อฝัน คิดว่าการปฏิบัติต้องทำอะไรที่ผิดมนุษย์มนนาอยากจะรู้ว่าร่างกายนั่งอยู่ก็ต้องบังคับร่างกายแล้วก็บังคับใจอย่าค่อยมารู้ไหมเรื่องมากท่ า, ท, าที่นั่งอยู่ก็รู้อยู่แล้วยิ้มซี้ยิ้มยิ้มหวานหวานรู้สึกไหมร่างกายยิ้มต้องส่องกระจกไหมไม่ต้องใส่หน้าม ไ, มไม่กี้รู้สึกไหมไปยักหน้ารู้สึกไหม แค่นี้แหละรู้สึกในร่างกายบ่อยๆ ย, ยากอะไรนักหนามาแล้วจิตใจอ่ะจิตใจเรามีความสุขรู้สึกไหมรู้ได้ไหมเวลาใจ ม, มีความสุขอย่างขนาดนี้ส่วนใหญ่มีความสุขรางสงเกตต่วจิตใจก็เรามีความสุขก็ ร, รู้เห็นไหมความสุขมันเริ่มลดลงแล้วกลายเป็นความเฉยๆแล้วเปลี่ยนจากความสุขมาเป็นอุเบกขาแล้วเนืเร้ารู้ไป ใจมันสุขก็รู้ใจมันทุกข์ก็รู้ใจมันเฉยเฉยก็รู้เนี่ยหัดดูจิต ด, ดูใจตัวเองมันยากไหม ย, ยากไหมที่จะรู้ว่าตัวเองมีความสุขหรือมีความทุกข์ตอนเนี้ในใจเราอะอิจฉาเป็นไหมทําไมรู้จักอิจฉาพอรู้จักพอดูเพราะเห็นมันเมื่อความอิจฉาหน้าตาปิดอย่างเนี้ยเซิงรู้จักเซ็งไหยเบื่อทําไมรู้จัก ถามเรารู้จักทุกตัวเลยอาคาตเป็นไหมอาคาต ร, รู้จักไหมแคนรู้จักไหมสำนวนจีนมีนะผู้ดีแก้แ้นสิบปีก็ไม่สายไม่รู้ว่ามอนผู้ดีท่าไหนนะ <c oughs> มือนผู้รายชัดๆเลยอาคาดอาคาตเราก็อาคาด เ, เป็นใช่ไหมอิจฉาว่าเป็นผนะูกใจเจ็บเจ็บใจเจ็บใจเป็นไหมเจ็บใจรู้จักไหม เ, ออเจ็บใจก็รู้จักน้อยใจรู้จักไหมน้อยใจภาษาจีนมีไหมน้อยใจมีใช่ไหมเนี่ยทำไมเราเรียกชื่ อ, อ, อกมาได้เยอะแยะเลยเพราะว่าเรารู้จักนี่ทำไมปฏิบัติไม่ได้ท้านที่รู้จักอยู่แล้วสภาวะทั้งหลายเราก็รู้จักอยู่แล้วนามาทํมทั้งหลายที่หลวงพ่อยกตัวอย่างมาให้ฟังมาน้อยใจเสียใจรู้จักไม่เสียใจ เนี่ยรู้จักทางนั้นนะแต่เราปัญหาก็คือเราละเลยที่จะรู้อย่างร่างกายเนี่ยเราจะรู้สึกก็รู้สึกได้แต่เราลาเลยที่จะรู้จิตใจในส่วนของนามธรรมาเราจะรู้สึกเราก็รู้สึกได้ทุกตัวแหละแต่เราลาเลยที่จะรู้ปัญหาอยู่ที่ลาเลยไม่สนใจจะรู้หลวงปู่ดูลย์บอกว่าการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติก็คือมันละเลยไม่สนใจม่วแต่สนใจเรื่องอื่นอย่างเวลามีความสุขขึ้นมาเนี่ยนะไม่รู้ว่าตัวเองมีความสุขไม่สนใจนะมีความสุขก็ไม่สนใจไปสนใจสิ่งที่ทำให้มีความสุขนะเวลาโกรธไม่สนใจว่าใจกำลังโกรธไปสนใจไอ้สิ่งที่ทำให้เราโกรธที่เราเดินอยู่นะหมามันมาเห่าใส่เรานะเราโกรธหมาใจเราวิ่งไปอยู่ที่หมา หาจังหวะจะเตะมันสักทีทำยังไงดีจะเตะตอนที่มันกัดเราไม่ทันประเภเตะแล้ววิ่งขึ้นรถอะไรย่างเงี้ยวางแผนใจไปอยู่กับหมาถ้าตายตอนนั้นน่าจะไปเกิดเป็นลูกหมานะ <weer không? g ülme> หรือไม่ก็ตกนรกไปเลยรู้ไหมว่าโกรธไม่รู้ทำไมไม่รู้เพราะไม่สนใจมัวสนใจของข้างนอก <g ülme> เห็นผู้หญิงสวยเดินมาใจมันชอบ ถ้าจะรู้ว่าใจกำลังรังรกเขาชอบเขามันก็รู้ได้แต่มันไม่สนใจมันหมัวนสนใจผู้หญิงหรือเห็นผู้ชายหล่อมานะเราเป็นสาวๆเห็นผู้ชายหล่อมาบางคนแย่กว่านั้นอีกนะมานั่งเนี่ยไม่ได้มาเรียนธรร ม, มานะบางคนนะ่ะไม่แอบดูพระองค์ไหนหล่อถูกใจนะหาทางศึกมันซะนะมีนะไม่ใช่ไม่มีพระหลวงพ่อเนี่ยบางองค์เนี่ยมีผู้หญิงแอบมาชอบตั้งหลายคนนะ่ะ เนี่ยนึกว่าไม่รู้นะจะมาล่อหลวงพระเราพระเราเวอร์จิ้นทั้งนั้นน่ะเ <c oughs> นี่ยขำเห็นไคมขำริ่ ม, ม, มรู้ได้ไหมว่าขำรู้ได้แต่ไม่อยากรู้มัวแต่ฟังเรื่องที่หลวงพ่อเล่าเพลิดเพลินไปในเรื่องราวเนี่ยแค่นี้เองการรู้สึกกายไม่ใช่เรื่องยากการรู้สึกใจไม่ใช่เรื่องยาก นะเราละเลยที่จะรู้สึกนะฮะละเลยที่จะรู้เปลี่ยนสมัยแทนที่จะสนใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสภายนอกในเรื่องราวที่เราคิดนะหันมาสนใจตอนนี้กายเราเป็นยังไงใจเราเป็นไงหันมาสนใจแค่เนี้มันจะยากนักหนาเหรือไม่ยากหลวงปู่ดุลบอกแล้วการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติ คือผู้ที่หลงออกไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสหลงไปอยู่ในโลกของความคิดนะหลงนะลองดูซิองค์ไหนหล่อที่สุดลองดูซิลองให้คะแนนแล้วบอกหลวงพ่อหน่อยนะเนี่ยรู้สึกไหมใจเราเป็นโรคหวาดระแวงรู้สึกไหมหวัดระแวงหลวงพ่อจะมาไมา้ไหนวนะนะหวัดระแวงรู้ว่าหวาดระแวงแต่พวกเราพอวาดระแวงแล้วทําอะไร ลวงพ่อจะมาไม้ไหนหันไปดูดีไม่ดีเนี่ยถ้าหันไปดูจะเสียท่าไหมเนี่ยเนี่ยแทนที่จะ ร, รู้ว่ากําลังหวาดระแวงง่ายแค่เนี้ยรู้จักระแวงไหมหวาดระแวงเนี่ยเป็นนามธรรมคนไทยนะมีศัพท์ที่เกี่ยวกับจิตใจเนี่ยสามสี่ร้อคนะําลเราะฉะนั้นเราเป็นชาติที่เรียนรู้จิตใจได้ประณีตมากเลย มีซัพ์มากมายเลยคืออย่างแค่โกรธนะยังมีดีกรีของความกวนะโกรธโกรธจนหัวฟาดหัวเวียงยังไ ม, มีไหมโกรธจนหัวฟาดหัวเวียงนะขัดใจใจตุนตุนนะรู้จักไหมใจมันตุนตุนคนจีชงงวงมันเป็นตัวตุนได้ยังไงนะใจมันขุนขุนนะลำคาลเล็กๆอย่างเนะี้ สงสัยหรือจกไม่สงสัยนี่ก็เป็นนามนธรรมอันหนึ่งความรู้สึกทั้งหลายมันเป็นนามนธรรมเรนะาจะหัดดูจิตดูใจรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปรู้ก็รู้ได้แต่ไม่ละเลยที่จะรู้เพราะว่ามัวสนใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในเรื่องราวที่คิดแค่นี้เองทนะาไมสนใจของข้างนอกตลอดเวลาคิดว่ามันจะนาความสุขมาให้ เราเลือกดูแหมพระองค์ไหนเราจะสึกดีนะเลือกเลือกเราคิดว่าถ้าไปจับพระสึกมาได้เราจะมีความสุขนมีน ะ, นะบางองค์เนี่ยแยกกันสามคนอ่ะนมีบางองค์อาพระจริงพ่อแม่ให้พรมานะไม่มีสามองค์เลยนะมีบุญไม่มีใครสนใจมีนะพระเนี่ยอยู่ในกลุ่มอาการตุกตาเนี่ยมีองค์หนึ่ง แก่ก็แก่นะมีผู้หญิงมาติดนะแต่ผู้หญิงมันวางแผนมันอยากลองดีไม่ใช่ไม่ใช่ใชพราะรักนะแต่เพราะอยากลองดีว่าหลวงตาเนี่ยจะแน่สัแค่ไหนจะไปจีบให้หลวงตาหลงรักแล้วสึกออกมาได้ไหมเนี่ยอยากลองฝีมือนะหลวงตากเ็เลอศนะมานั่งฟังเทศที่หลวงพ่อเห็นดีเฮ้ยมันคิดถึงผู้หญิงนี่หว่า เลยเชิงก็ให้นะหลวงตาเลยเอาตัวรอดมาได้นขำรู้สึกไหมตอนที่ขำอ่ะลืมหมดแล้วทั้งกายทั้งใจรู้สึกไหมรู้ไหมว่าเมื่อกี้ขำนึกตอนเนี้ยนึกได้มั้งเมื่อกี้ขำแต่ตอนที่กําลังหลงขำอยู่ไม่รู้นมามธรรมจำไม่ได้นะนมามธรรมทั้งหลายที่มันเกิดจากกิเลสเนี่ยมันรู้ไม่ได้ ที่เป็นปัจจุบันมันจะรู้ตามหลังแต่มีความสุขขณะนี้มีความสุขรู้สึกได้ไหมความสุขเป็นนามธรรมนะความสุขรู้สึกได้ความสุขไม่ใช่กิเลสฉะั้นเรามีความสุขอยู่เรารู้ว่ามีความสุขอยู่ทำได้ร่างกายมีความทุกข์อยู่รู้ว่าร่างกายมีความทุกข์อยู่ทำได้ไหมทำได้จิตใจมีความทุกข์อยู่รู้ว่ามีความทุกข์อยู่ทาได้ไหมทาไม่ได้ ใจิตใจจะมีความทุกข์แต่เมื่อมีโทส ะ, ะใจิตใจจะมีความทุกข์แต่เมื่อมีโทสะถ้ามีสติเมื่อไหร่โทสะไม่มีไม่ทุกหรอกทุกเพราะว่าสัญญาความจําจำอารมณ์ทุกข์เอาไว้ครอบตัวเองไว้แต่ความทุกข์ในกายเนี่ยดูเป็นปัจจุบันได้ความทุกข์ในใจต้องเป็นปัจจุบันสันตติต่อเนื่องกับปัจจุบันตอนที่มีสติไม่ทุกที่ใจหรอก จะค่อยๆฝึกไปไม่ยากอะไรสนุกออกหลวงพ่อภาวนานะเจอหลวงปู่ดูลนะเขาไม่เคยรู้ได้รู้ของไม่เคยเห็นได้เห็นเขาไม่เคยเข้าใจได้เข้าใจสนุกเพราะั้นมีความสุขมากที่ได้ดูจิตดูใจตัวเองเรียกว่ามีฉันทะมีความพอใจมีความสุขมีความพอใจที่ได้ดูพอมีความสุขสมาธิจะเกิดนะแล้วก็วิริยะจะเกิดเพรามันมีความสุขมันก็อยากเข้าไปหาบ่อยๆ เขาไปสัมผัสบ่อยๆให้หลวงพ่อดูจิตดูใจแล้วมีความสุขหลพ่อขยันดูมนะีวิริยะก็เกิดสมาธิก็ เ, เกิดมันมีความตั้ง อ, อกตั้งใจมีความตั้งมั่นมีความใส่ใจที่จะดูไม่ว่าแวกไปที่อื่นคอยอ่านจิรอ่านใจตัวเองตัวนี้เรียกว่าจิตตะนะแล้วมันก็คอยค้นคว้าใคร่ครวญพิจารณาอยู่เออความรู้สึกตัวนี้มันคืออะไรวะมันผุดขึ้นมานะ ก็ดูไตัวนี้มันคืออะไรเราไม่รู้จักแต่พอมันผุดขึ้นมาแล้วมันทำงานอย่างนี้พอมันทางานอย่างนี้แล้วมันมีผลเป็นอย่างนี้มันเกิดจากอะไรอะไรทำให้มันเกิดอันนี้าตรมราเขาเรียกลัคณาที่จตุกะพอเราเข้าใจอย่างเงี้ยเราจะเข้าใจสภาวะตัวนั้นแจ่มแจ้งจะรู้ชื่อหรือไม่รู้ชื่อไม่สำคัญเพราะชื่อเป็นบัญญัติแต่เรารู้สภาวะอาการอย่างเนี้ยเรารู้อย่าง มันพุ่งขึ้นม า, นาพุ่งขึ้นมาร้อนเผาเลยขึ้นไปที่หน้าหน้าก็ร้อนเลยอันนี้เป็นตัวอะไรใครว่าโทสะยกมือซิใครว่าไม่แน่ใจขี้กลัวเกินไปนตัวที่พุ่งขึ้นมาร้ร้อนจิตเรยร้อนทุกตัวนะแต่ร้อนคนละแบบ โทสะเนี่ยร้อนแบบไฟไหม้ตูมตามโครงครามเหมือนภูเขาไฟระเบิดราคะเนี่ยร้อนกลุ่นๆเหมือนอย่างหน้าหนาวนะเราสมไฟอะไรเงี้ยมีความสุขนะร้อนไหมร้อนแต่ร้อนแบบมีความสุขร้อนกลุ่นๆโมหะเนี่ยเหมือนไฟที่ไหม้อยู่ข้างในไฟสุมขอนยังไม่รู้ว่าจะปะทุ ข, ขึ้นมาเมื่อไหร่ร้อนด้วยกันทนะั้งน้าแต่ร้อนคนละแบบ เราจะดูได้ไงไว่าร้อนนี่ตัวไหนดูกิจกรรมที่มันทําถ้าตัวนี้พุ่งขึ้นมานะมีอะไรบางอย่างพุ่งขึ้นมาร้อนๆขึ้นมาแล้วใจเราปฏิเสธอารมณ์นะเกลียดขี้น้าไอ้คนนี้ฉับพลันอยากจะผลักมันให้กระเด็นออกไปหรือเห็นหมาตัวนี้เดินมาอยากเตะให้กระเด็นออกไปอาการที่จิตผลักอารมณ์เนี้ยโถสับเดินเดินแล้วก็มีอะไรกลุ่นๆขึ้นมา เห็นแมวที่นี่มีแมวขาวๆคว่นๆอยู่ตวงนะเห็นแมวอุ้ยน่ารักดีจังนะบางคนเห็นว่าน่ากินว่ะแล้วแต่คนนะแล้วแต่ประสบการณ์ตัวนี้จะม่่มดีนะนความรู้สึกรักเกิดขึ้นใจก็มีกิเลสนะแต่มีความสุขเห็นแมวน่ารักมีความสุขตัวนี้ราคาเวลาเห็นแมวน่ารักอยากทำไง อยากไปจับมาใช่ไหมดึงเข้ามาเราเห็นคนที่เรารักเราอยากทําไรอย่างเรามีลูกเนี่ยลูกเรามาเราอยากดึงเข้ามากอดใช่ไหมอันนี้ราคะจะดึงอารมณ์เข้าหาตัวโทสะจะผลักอารมณ์ออกจากตัวโมหะจะจับอารมณ์ได้ไม่ชัดเจนไม่รู้ว่าเป็นยังไงไม่รู้ว่าจะชอบหรือไม่ชอบไม่รู้ว่ามันคืออะไรสับสนวุ่นวายจับอารมณ์ได้ไม่ชัด เนีย่ยหัดสังเกตไปเราจะสามารถดูจิตดูใจได้ละเอียดประณีตมากขึ้นมากขึ้นไปตอนแรกๆแค่รู้ว่ามีอะไรบางอย่างแปลกปลอมเข้ามาต่อไปก็ค่อยดูมันทำงานอะไรทำงานยังไงแต่ตัวนส่วนใหญ่นะพวกเรารู้จักอยู่แล้วพวกเรารู้จักอยู่แล้วละเราไม่ต้องไปนั่งไล่ตามสเต็ปที่หลวงพ่อบอกแล้วรู้จักโกรธไหมรู้จักโลภไหมรู้จักใจลอยไหม รู้จักฟุ้งซ่านไยมรู้จักโหดหูไหมถามตัวไหนก็รู้งั้นไม่ยากหรอกไม่จาเป็นต้องไปดูลักนณะที่จตุกายอย่างที่หลวงพ่อบอกก็รู้ว่าได้ว่าตัวอะไรเกิดเพราะรู้จักอยู่แล้วงั้นต่อไปนี้อย่าละเลยใส่ใจที่จะคอยรู้สึกร่างกายใส่ใจที่จะคอยรู้สึกจิตใจความรู้สึกนึกด ข, ของตัวเองไม่ใช่เรื่องที่คิดนะ เรื่องที่คิดรู้อยู่แล้วนะเรื่องที่คิดเป็นอารมณ์บัญญัติเอาไปทำวิปัสสนาไม่ได้รู้ความรู้สึกนะไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดแต่ว่ารู้ความรู้สึกาเราคิดเรื่องนี้เร้โกรธรู้ว่าโกรธเนะมื่อก่อนมีอาญหลวงพ่ออยู่คนหนึ่งนะตอนนั้นหลวงพ่อบวชใหม่เขาไปอยู่ที่สวนโพขอค้างอยู่ที่วัดสองสามวันหรือเจ็วันะไี้ หลวงพ่อก็สอนเขาก็ฟังที่หลวงพ่อสอนคนอื่นด้วยวันหนึ่งนะเช้าวันหนึ่งเดินมาหาหลวงพ่อเลยนี่ท่านอายีรู้แล้วละ่ะว่าการปฏิบัติทํำยังไงอายีทำเป็นละวอาีเห็นพัดลมแล้วรู้ว่าพัดลมแล้วฟังแล้วตะลึงเลยเห็นพัดลมรู้ว่าพัดลมคนอื่นที่ไม่ปฏิบัติเขาก็รู้คําว่าพัดลมนั้นเป็นอารมณ์บัญญัติ แต่ถ้าเห็นพัดลมแล้วอยากได้กลับบ้านเนี่ยใจโลภรู้ว่าโลภอย่างนี้ถือจะเรียกว่าปฏิบัติเห็นพัดลมรู้ว่าพัดลมเห็นหมารู้ว่าหมาเห็นแมวรู้ว่าแมวไม่ใช่การปฏิบัติอันนั้นใครๆก็รู้ให้รู้ที่ความรู้สึกนะความรู้สึกรอบกลดหลงความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์อะไรเกิดขึ้นความรู้สึกชอบความรู้สึกไม่ชอบเกิดขึ้นคอยรู้อย่างเนี้ย อ่านใจตัวเองไปเลยแล้วจะเห็นความรู้สึกทุกชนิดเกิดแล้วดับทั้งสิน้นตัวเนี้เห็นอนิจจังความรู้สึกทุกชนิดเราสั่งไม่ได้มันมีเหตุมันเกิดมันไม่มีเหตุมันไม่เกิดมันมีเหตุมันเกิดมันหมดเหตุมันดับสั่งไม่ได้ตัวนี้เห็นอ น, นัตตาเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้ไม่เห็นเรื่องยากอะไรเลยยันหลวงพ่อเลงบอกเรื่อยๆภาวนาเรื่องง่าย มันล่าเลยนะฮะไม่สนใจเพื่อแต่สนใจของข้างนอกสนใจรูปเสียงกลิน่นรสปโฑทพะธรมารมณ์ภายนอกนะไม่สนใจตัวเองคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไปเนียว่ันหนึ่งจะได้มรรคผลไปเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของใจในเบื้องต้นใจนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นพระโสดาบันเห็นความจริงที่ลึกซึ้งลงไปอีกร่างกายนี้ นอกจากไม่ใช่ตัวเราแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นตัวทุกมีแต่ทุกมากกว่าทุกน้อยในกายนี่พอรู้ความจริงอย่างนี้จิตจะวางกายได้พานาาักขาพอรู้ลงมาที่จิตจะรวมลงที่จิตแล้วขั้นสุดท้ายดูไปเรื่อยๆจนเห็นจิตนี้เมื่อก่อนเราเห็นวนะ่จิตมันไม่ใช่ตัวเราสันเป็นโซดาตอนนี้จิตเป็นตัวอะไรจิตเป็นตัวทุกข์ทุกเพราะอะไรทุกเพราะไม่เที่ยง ทุกเพราะว่าถูกบีบคัน้นทุกเพราะว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับเเห็นมุมใดมุมหนึ่งก็ได้เรียกว่าเห็นทุกข์ทางนั้นเห็นนั้นในจางทุกขังอนัตตา น, นะไรเรี่ว่าเห็นทุกข์พนอะเห็นแล้วจิตก็ปล่อยวางจิตจิตปล่อยวางจิตได้ก็ไม่มีอะไรให้ยึดถือละะปล่อยวางกายได้ตั้งแต่ขั้นพราณาคาปล่อยวางจิตได้าาาไดก็จบจิตตรงนั้นและจิตเนีมีความสุขมหาศาลเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เราได้มานะ ด้วยการคอยรู้สึกการู้สึกใจไปยิ้มซี้ยิ้มอย่าทำหน้าเบื่อยิ้มยิ้มหวานหวนเหมือนมีสาวหรือหนุ่มมาบอกรักเราถ้าเราชอบหนุ่มก็บอกเหมือนมีหนุ่มมาบอกรักเรา้าชอบสาวบอเหมือนมีสาวมาบอกรักเรายิ้มหวานหวานนะเหมือนเพิ่งได้ข่าวว่าถูกหวยเนะี่ยบอกให้ยิ้มหัวร้อแทนเห็นไหมขัดคำสั่ง รูบาอาจารย์ให้ยิ้ม้ะผ่าหัวล้ออีเนี้เริ่มขัดคำสั่งแล้วเพราะอะไรทนกิเลสไม่ได้ทนความขําไม่ไหวลาคามันเกิดเวลาขํานะ้นต้องเห็นแล้วไปฝึกเอาอย่าละเลยอย่ามาแต่สนใจสิ่งที่อยู่ข้างนอกหลวงปู่ ด, ดูลเรียกว่าจิตออกนอกอย่าสนใจขออกนอก นะคอยมาเรียนรู้กายรู้ใจตัวเองบ่อยๆหลุดอเกจากโลกของความคิดความฝันสุทีมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงคือรู้กายรู้ใจไปร่างกายมีจริงไหมร่างกายมีจริงๆความรู้สึกมีจริงไหมมีจริงๆเรียกปรมัตธรรมของมีจริงนะ ม, มีเพราะมีเหตุเอาไปกินข้าวนี่หมดนะครับ